กลุโดดยังต่เธอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดเรตหนังโดยจะออกกฎหมายครอบคลุมสื่อสาธารณะทั้งหลายไม่ว่าจะนําเข้าจากต่างประเทศหรือสร้างโดยคนไทยเองอีกหน่อยคงหาหนังเด็ดๆดูไม่ได้อีกเลย หนังเป็นเพียงความบันเทิงที่เอาไว้หย่อนใจหรือเป็นภัยอันตรายร้ายแรงถึงขั้นทําโลกโกลาหุนกันแน่ถ้าพิสูจน์ได้ชัดๆก็จบไม่ต้องมาแบ่งพวกเถียงกันว่าจะเอาไงให้กลุ่มเปล่าโจทย์ของคนเราไม่เหมือนกันนักธุรกิจจะถามว่าสร้างหนังอย่างไรให้ได้เงินศิลปินจะถามว่าสร้างหนังอย่างไรให้คนดูเห็นความเหนือชั้นของตน ส่วนกองเซนเซอร์จะถามว่าสร้างหนังอย่างไรไม่ให้ทําร้ายสังคมคือไม่ต้องเอาถึงขั้นสร้างหนังเพื่อเปลี่ยนโลกนี้ให้ดีขึ้นหรอกเอาแค่ไม่ทําให้แย่ลงก็พอวิธีตอบโจทย์ของแต่ละคนก็ต่างกันอย่างสมมุติว่าให้ผมเป็นหนึ่งในกองเซนเซอร์ผมอาจให้ภาพเสียงที่น่ารังเกียจสาหรับนักอนุรักษ์ รอดผ่านกันไกลไปได้แต่จะทบทวนอย่างหนักหากพิจารณาการ์ตูนสำหรับเด็กเช่นอัลดินกับตะเกียงวิเศษที่เอาหัวขโมยมาเป็นพระเอกหรืออย่างเงือกน้อยผจนภัยที่ให้นางเอกหนีพ่อตามผู้ชายเพราะอาจมีส่วนให้เด็กเล็กเข้าใจผิดว่าการขโมยของเป็นเรื่องน่าเห็นใจและอยู่ดีๆมีสิทธิ์ได้รางวัลเป็นตะเกียงวิเศษกับเจ้าหญิงงามหรือคิดว่า รักแรกพบกับชายแปลกหน้าคือสิ่งสำคัญเหนือน้ำตาพ่อไม่ต้องช่างใจใดๆเดี๋ยวก็ได้รางวัลเป็นเจ้าชายรูปหลอ่อกับการช่วยเหลือจากพ่อไปเองในภายหลังแต่ถามว่าโดยส่วนตัวผมชอบการ์ตูนสองเรื่องข้างต้นไหมผมจะยอมรับว่าผมชอบแต่ก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองโดนสารพิษของเรื่องทรกซึมเข้าไปสู่ความนึกคิดแต่อย่างใดช่วงหนึ่ง แค่รู้จักฝันหวานแล้วก็หลงเพอ้อพกถึงเจ้าหญิงนิดหน่อยประเด็นคือถ้าผมได้รับมอบหมายหน้าที่ป้องกันภัยจากกระตูนไม่ให้ทำร้ายเด็กผมอาจตั้งทีมทำวิจัยจริงจังเห็นผลดีผลร้ายของกระตูนให้ชัดแล้วจึงตัดสินใจว่าจะเบรกหรือไม่เบรกดีแต่ในทางปฏิบัติแล้วทุกวันนี้เราควบคุมสื่อโดยมุ่งเน้นเรื่องภาพและเสียงที่น่าบัตรสีหรือยุให้เป็นโรคจิต โดยการลงมา่านหมอกกันอุจจาร์หรือดูดเสียงหยาบคายทิ้งดื้อๆโดยไม่มีคำอธิบายว่าถ้าไม่อยากให้ดูทำไมถึงปล่อยออกมายั่วให้อยากเห็นทรมานใจเล่นกันอย่างนี้ที่ร้ายสำหรับความรู้สึกของคนดูก็คือกองเซ็นเซอร์มีอยู่ไม่กี่คนในประเทศและก็ไม่เป็นที่เปิดเผยตัวด้วยจึงเหมือนเผด็จการเงียบ ทำตัวเป็นคําสั่งจากฟากฟ้าที่ไร้ฟ้าไม่มีสิทธิ์หือไม่มีสิทธิ์ส่งเสียงคัดค้านใดๆกองเซ็นเซอร์จึงเป็นวิธีที่ก่อให้เกิดเสียงด่าทอและกระแสต่อต้านไม่มีทางเป็นที่ยอมรับความรู้สึกของคนดูจะถูกกดให้เหมือนเด็กๆที่ถูกผู้ใหญ่ห้ามไปหมดทั้งที่โตโตเท่าๆกันเมื่อการเซ็นเซอร์ทําได้เพียงสร้างกระแสความเกลียดชังขึ้นในสังคมวงกว้าง กองเซ็นเซอร์ย่อมเป็นผู้ร้ายในโลกความจริงยิ่งกว่าผู้ร้ายในโลกมายาซสอีกนั่นเท่ากับความดีกับความเลวถูกกลับขั้วฝ่ายธรรมะถูกมองเป็นพวกหัวโบราณ่วงความเจริญของโลกดีแต่หลงตัวนึกว่าฉลาดขณะที่ฝ่ายอธรรมกลับถูกมองเป็นพวกหน้าเห็นใจที่ต้องก้มหน้าก้มตายอมโดนรังแกอย่างไม่เป็นธรรมและไม่มีสิทธิ์ือ การจัดเรตหนังน่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายคุณอยากเลือกอย่างไหนระหว่างถูกยั่วให้อยากเห็นแต่ไม่ได้เห็นกับไม่ถูกยั่วให้อยากเห็นเสียตั้งแต่แรกการจัดการกับเรื่องไม่งามมักไม่มีทางออกที่งามพร้อมการควบคุมมากเกินไปอาจกลายเป็นการอัดแก๊สเข้าลูกโป่งที่รอวันระเบิดแต่ถ้าไม่ควบคุมเลยวันหนึ่ง โล ก, กอาจหมุนไปถึงจุดที่ผู้คนตัดสินใจร่วมกันว่าต้องดูเรื่องชั่วๆให้ได้ถึงจะต้องแลกกับการกำจัดกองเซนเซอร์ให้หมดไปจากโลกก็ตามที